พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าวิชาการอยู่กับป่าถาวันนี้เป็นวันที่17็ด กรกฎาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อก็ให้พระออกไปไปดูงานสร้างที่พักให้กับผู้ที่มาเยี่ยมไข้โรงพยาบาลศูนย์อุดรเมื่อวานนเราส่งปัจจัย ไปให้เพราะว่าค่าแรงค่าวัสดุรวมแล้วเกือบเนี่ยค่าแรงมันมันหล้านแดแล 5, 08, ้วเป็หล้านแดวงพ่อก็จำคับคลายคับคาเฉพาะค่าช่างแล้วก็ค่าวัสดุอีกประมาณล้านกว่าบาทกคคิดว่างานก็กำลังเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆละ่ะเมื่อวานพวกเราวัดของเราก็ได้ส่งจตุปัจปจัยเข้าไปสมทบ เ้าไปให้ใช้ในงานที่สองแสนวนเนี่ยแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานทั้งหมอโรงพยาบาลจังหวัดน้องบวรรัวลพูโรงพยาบาลจังหวัดเข้ามาที่หลวงพ่อตกลวงว่าจะให้เครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจราคาห้0แสนบาทแล้วก็เสียต้ม ท่านจะให้เครื่องมือนึ่งชำระเครื่องมือแพทย์เครื่องนึ่งชำรขเครื่องมือแพทยอีกสองแสนกว่าบาทแต่เมื่อวานเขาเขียนมาเพียงสองแสนแต่ตามไม่จริงที่พูดมาข่าวก่อนว่าสองแสนสี่หมืน่นเท่าไรเนะี่ยหลวงพ่อก็จำไม่ชัดนะแต่เมื่อวานเขาเขียนมาสองแ 0,000 คงจะลดได้กระมัง เครื่องมือมาแล้วมาก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้ใช้งานไปก่อนถ้าหากว่าใช้งานได้ดีแล้วก็อย่ค่อยมามาบอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการเรื่องค่าอะไรให้โอนให้ให้วยาวจกรโอนให้แต่ให้ใช้เครื่องมือไปก่อนอันนี้ก็คือ เมื่อวานคณะแพทย์ทั้งพออโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีลำพูกับคณะแพทย์พยาบาลเข้ามาเมื่อวานนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางอาจารย์หมอจากศรีนครินเข้ามาว่าจะได้เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเป็นลักษณะเครื่องมือสนามลักษณะอย่างนั้นนะใครๆก็ยกไปห้องไหนก็ได้ถ้าจาเป็น ทำว่าเครื่องมือหนักก็คืออยู่ประจําอยู่กับที่แต่ใ น, นเครื่องมือเบาเคลื่อนย้ายได้แต่ว่ามีประสิทธิภาพผ่พาตัดห้ามเลือดอห้ามเลือดแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ในยุคปัจจุบันนี่นก็บอกเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย อ, อยากจะได้เครื่องมือแพทย์ทัตัวหนึ่งคือโรงพยาบาลศรีนครินแต่พูดมานานแล้วล่ะ หลายเดือนแล้วแต่หลวงพ่อกับเพิ่งมาตกลงให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาร้านแปดตัวนี้หลวงพ่ อ, อเออเรามีแต่ช่วยตึกสงอาพาธมีแต่ตั้งมนิธิให้สงอาพาธแต่โรงพยาบาลศีนครินจริงๆเราก็ยังไมไ่ได้เคยให้สงเคราะห์ มาข่าว น, นี่เออต้องการเครื่องมือแพทย์เออเอาเราจะให้อันี้กับล้านแปดแสนนะอันนี้ก็แจ้งข่าวให้บอกข่าวให้คณะสัตย า, าติโยมที่เกี่ยวข้องพระเนนทุกองนะวัดของเราช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาชนสาธารณประโยชน์เราไม่ได้มองข้ามทั้งฝ่ายพระสงฆ์กเหมือนกันในวัด วัดไหนที่เป็นเครือข่ายเป็นลูกศิษย์หรือว่ามีความจำเป็นอันนี้เราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปเพราะเราก็ไม่รวยเหมือนองค์หลวงตาแต่หลวงตาเนี่ยท่านไม่ว่าท่านแจกไม่อัน้นแต่เราเนี่ยต้องระวังระวังคือไม่ให้เดือดร้อนตนและไม่ให้เดือดร้อนศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องไม่หนักใจคือการพูดทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกคนไม่ต้องหนักใจหลวงพ่อคิดดีแล้วหลวงพ่อจึงช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปคิดว่าเป็นไปได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือการแจ้งข่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบให้อนุโมทนาเพราะว่าการช่วยชีวิตของผู้อื่นเรือําออำนวยความสะดวกให้กับสาธารณประโยชน์มันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้พระมหากษัตริย์ก็เป็นเครื่องเชิดชูบูชาของสามสถาบันสามสถาบันหลักขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้าชาติของเราหาความสม บ, บสุขไม่ได้ ไม่มีการช่วยเหลือเจือจานกันศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อศาสนาอยู่ลําบากสถาบันก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันไปทั้งหมดเป็นเครือข่ายเป็นสามขายอย่างคําประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนหนึง่งเราก็มองเห็นความลําบากของพี่น้องประชาชนถ้าหาว่าทุกคนอยู่รอบด้านรอบข้างของตัวเอง ผู้มีอันจะกินพูดง่ายๆอย่าเป็นบริษัทห้างร้านไหนก็ตามมีอันจะกินเราล่ำรวยขึ้นมาเพราะอะไรได้มาจากใครได้มาจากพี่น้องประชาชนในเมื่อถึงคราวหนึง่งเราควรจะคืนให้กับพี่น้องประชาชนในจุดที่มันขาดตกบกพร่องให้เขาอยู่สบายๆมีความสุขตามอัตภาพของเขาได้ไหม อันนี้เราก็ต้องได้คิดอย่างลุงหลวพ่อคิดพี่น้องประชาชนที่เขามาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยสามีภรรยาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมารถมาขึ้นไปส่งให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็รับไว้แอดมิคือเข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วคนที่ไปเยี่ยมได้จะกลับบ้านบางทีก็ไม่มีรถบังบางทีก็ห่วง คนที่อยู่บ้างผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะนอนที่ไหนไปนอนโรงแรมก็นอนไม่ได้เพราะไม่มีเงินหลายคนอีกต่างหากแต่เฉพาะค่าอาหารก็ยําแย่อยู่แล้วที่นอนที่ไหนก็นอนพราะพวกเราเป็นชาวไร่ชาวนานอนที่ไหนอันนี้มันนอนปูปูนซีเมนขนาดที่กันตีแล้วแ่ะเรานอนปานอนตรงเราก็นอนมาพอแรงไงอันนี้ชาวบ้านเขาคนนะ่ะเคย ทุกเคยยากลำบากเอากนนอนเกื่อนกลาดไปดูๆหลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้ไม่น่าจะเป็นลักษณะนี้ฝนตกกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องพูดถึงความสะดวกความสบายคงไม่มีถ้าเราไปสร้างที่พักให้เขาซ ะ, ะในใต้ถุนตึกจอดรถเนี่ยเขาคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนกลุ่มนี้นี่หละหลวงพ่อก็ได้คิดนะ ไม่ใช่อวดมั่งอวดมีอวดเสรษฐีอะไรหรอกลูกหลานสัตยาญาณโยมเห็นความลําบากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่แหละถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็ให้ไปถามถามดูก็ได้ให้ไปดูก็ได้หลวงพ่อเห็นต่ําหูตําตาขนาดหลวงพ่อนานๆเข้าไปโรงพยาบาลนั่งไปหลวงพ่อก็ยังเห็นนะเออไม่รู้จะจะทํำยังไงช่วยยังไงแหมหลวงพ่อก็ได้ช่วยอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้ก็คือ ช่วยชุมชนสังคมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอย่างหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนประโยชน์ตนก็คืออย่าให้ขาดตกปกพ้องเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ประโยชน์ตนอย่าให้ขาดตกปกพ่องแต่ประโยชน์คนอื่นก็มองมอ ง, มองดู จะทำประโยชน์ยังไงให้กับชุมชนสังคมประเทศชาติให้อยู่ด้วยการด้วยความร่มเย็นเป็นสุขประโยชน์ตนก็ยพยายามพอประโยชน์คนอื่นก็ให้ดูสรุปแล้วนะและก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนนะคณะสัทธาติโยมพระเนนทุกองค์ทุกโรปบางที่ผ้าของเราจะตากไม่แห้งนะ ผ้าตากไม่แห้งพอตาเข้าไปแล้วมันเหม็นอับแล้วจะทำยังไงเหม็นอับเอาไปซักแล้วก็แล้วเอาไปใส่น้ำยาแล้วก็แล้วแต่หลวงปู่จามท่านให้พิชาความรู้กับหลวงพ่อมานะท่านบอกว่าจะไปซักสบู่ซักแฟบอะไรก็เถอะมันไม่หายกลิ่นตุต้องแช่น้ำร้อนนะเอาน้ำร้อนมาแล้วก็แช่น้ำร้อน แช่ลงไปแล้ว เ, เขย่าเขย่าหายเหมือนปิดทิ้งเลยนะที่มันกลิ่นอับๆนะ่ะเราก็ทํามาเออจริงเป็นวิชาความรู้ได้มาจากป่าที่หลว ง, งอาสอนให้แต่การที่จะแช่ผ้าตัวนี้ก็ให้ระวังอีกเหมือนกันนะกูบ้า ท, ทั้งหลายถ้าว่าเป็นผ้าที่ใหญ่สังเคราะห์นะผ้าตะบองที่ใหญ่สังเคราะห์นะ เราจะไปใช่น้ําจะไปแช่น้ําร้อนแรงเกินไปถ้าหากว่าแช่น้ําร้อนแรงเกินไปมันจะเป็นฝุยเป็นมันจะหดผ้ามันจะแข็งมันจะเป็นขนขึ้นมาพอมันถูกน้ําร้อนะเราต้องใช้น้ําอุ่นอุ่นแก่ใช้น้ําอุ่นแก่แต่ไม่ใช่น้ําร้อนนะมันกดดับกลิ่นได้อีกเพราะเรา แช่ลงไปแล้วก็เรียบออกมาจะไปแช่นานอันนี้คื อ, คอผ้าใยสังเคราะห์นะถ้าเป็นผ้าผ้าคด ต, ตน้นผ้าใยแล้ไม่ว่ากันนะแช่เลยแช่แล้วก็เยาเชา่าเยาก็เยาแล้วก็นำบิดแล้วก็มาตากถ้าใส่น้ำยาแฟบหรืออะไรเข้าไปแล้วก็จะดีมันก็จะสะอาดขึ้นเรื่องกลิ่นเนี่ยน้ำร้อนธรรมดาก็หาย อันนี้ก็ดูดูนะบางทีพวกเราไม่เคยอยู่ในบ้านในเมืองมาอยู่ในป่าเอ้ยทำไมผ้ามันมีกลิ่นอย่างนี้วะอีว่ากลิ่นเขาเรียกก็กลิ่นอับกลิ่นเชื้อรานะี่ยนถ้าเราใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วจะหายอันนี้วิชาเนี่ยมันหาค้นในตําราไม่เจอนะค้นตําราไม่เจอ แต่พวกเราทดลองนะทำดู่ะอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ก็จะไปแช่แรงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบางองค์ครูบาทั้งหลายแลพอเห็นยามมันมีกลิ่นเหม็นมันมีกลิ่นอับอย่างที่ว่าน ะ, ะก็ไปแช่น้ำร้อนอย่างแรงนะพอแช่เข้าไปซิปแตกมดเลยซิปลูดไม่เข้าอีกแล้วเนี่ยพมชิปมันเป็นพลาสติกใช่ไหมล่ะนี่แหละอันนี้ก็เสียหายสิ่งไหนก็ตามนะ ถ้าขาดความรอบคอบแคอย่างเดียวเสียหายหมดถ้ า, ากว่าได้ยินอย่างที่หลวงพ่อพูดนะให้สังเกตอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรอย่างไงเนี่ยอันนี้ก็คือการอยู่ป่าการอยู่ในโรงในป่าแล้วก็ให้ระมัดระวังประตูหน้าต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางในครัวถ้าหากว่า ประตูชั้นล่างนะต้องปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงถ้าตัวเองไม่อยู่นะถ้าตัวเองอยู่ก็ไม่เป็นไรอยู่ข้างในแต่ก็ระวังบางทีมันพวกกบพวกเขียดงูเห่างูจงอางแล้วงูป่ามันไล่สัตว์มาจะเข้ากระโดดเข้ามาในห้องห้องนอนของเราเพราะมันติดติดกับพื้นนะอยู่ในป่าแต่ในงูมันก็เลื้อยเข้ามา เพื่อจะมาไล่พกกบพวกเขียดล่าเป็นอาหารของมันพอ ก, กินเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่ ม, มันก็ไปหมกอยู่ตามเสื้อผ้าของเราที่เป็นอยู่ในห้องนั่นแหละอันตรายถ้างูไม่มีพิษก็ไม่เป็นไรโดยมากแต่มันก็ไม่มีพิษหรอกงูกลางวันแต่ตุก ง, งูกลางคืนเอออันนั้นมีโดยมากจะมีงูเป็นงูที่มีพิษ เพราะนั้นต้องระวังเพราะอันนี้ น, นี่การอยู่ป่าของพวกเราเรากุฏิของกูบาก็เหมือนกั น, นอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเราจะออกแล้วก็ปิดเพื่อกันยุงเพื่อกันมแมลงล้วก็พยายามดูที่กั้นที่ใส่น้ำมันที่ขึ้นกุฏิของเราดูถ้าวันเราเห็นว่าน้ำมันมันแห้ง เราก็เอาน้ำมันไปหยอดใส่อันนี้มันกันได้หลายอย่างทั้งกันมดด้วยทั้งกันแมลงป่องด้วยที่มันปีนขึ้นไปขึ้นไปไปเจอน้ำมันมันก็ถอยละถูกน้ำมันมันจะไม่ปีนข้ามขึ้นไปได้นี่แหละอันนี้คือวิชาความรอบครอบกันอยู่ในป่าแล้วก็ถ้าวากิ่งไม้ที่มันเฟื้อยมาถูกลังคากติของเราเราก็ดู เราก็ต้องหาคนหรือว่าหาไม้ตะขอ่ไปดึงไปเกาะ อ, ออกมาตัดไม่ให้แมลงไม่ให้ ม, ม, หหมดอมันขึ้นไปบนหลังคาจากนั้นมันมากัดเราเนี่ยี่แหละอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเวลาการอยู่กุฏิแล้วกับพับผ้าของเราเนะี่ยจะไปตากเกลื่อนไม่ใช่มีเท่าไหร่เอามาตากหมดเอามาใช้หมดไม่ได้ผลที่สุดไม่มีผ้าพื้นจะใช้เท่นี่ พรมันไม่แห้งสักผื่นเนะ่ยเพราะนั้นเวลามันแดดเราก็ต้องไปรีบตากตากเสร็จแล้วก็เก็บไว้ถังของเรามีถังพระสติของเรามีอยู่ในวัดหรือถุงพระสติกของเรามี ถ, ามถุงดำํำแล้วก็ยัดๆยๆใส่ถูงแล้วมัดจุกเอาไว้เวลาตากแห้งร้อนๆแล้วจากนั้นเราก็เอามาใช้เป็นบางตัวแต่อย่าไปใช้มากอย่าไปใช้เกิน ถ้าเราใช้มากพอใช้เข้าไปหมดทุกผืนไม่มีอะไรเปียกชุ่มทั้งหมดตายเลยนี่แหละมันเราไม่เหมือนอยู่ในบ้านนะในบ้านเรามีเครื่องอะไรอบผ้าร้อนที่ตอนี้เราไฟฟ้าเรากเา็เครื่องอบเราก็ไม่มีตรงอาศัยแสงแดดเพราะฉะนั้นการที่จะใช้การเป็นอยู่ของเราต้องใช้วิวชาความรอบคอบวิชาลูกเสือนะ่ะวิชาเอาตัวรอดอยังไงสิ่งเหล่านี้เราต้อง ใช้ความรอบคอบความรอบรู้รอบตัวอเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะได้เรียนรู้สมัยไปอยู่ในวัดป่าเนี่ยน่งอยู่อากาศชื้นๆป่ารงมริบนะเป็นยังไงเนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พาลูกพาหลานทั้งหลายเป็นวิชาความรู้ติดตัวไปเราไปอยู่ในสถานที่ใดอย่างไงกันเนี่ยเราเอาตัวรอดได้ทั้งนั้นอันนี้คือวิชาทั้งหมดันะที่ได้ หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวให้กับลูกหลานเพราะหลวงพ่อผ่านมาแล้วอยู่มาแล้วนะผ้าของเราเก็บไว้ยังไงอย่างที่ผู้เจ้าก้อก็เหมือนกันผู้เจ้าก้อนนะี่ยมันงูมันเยอะแล้วก็เป็นหลังคาหญ้าแล้วก็พื้นฟากพื้นไม้ไผ่ฝาก็ฝาใช้ฟางแหนบแหนบแหน บ, แ, นบแล้วก็เชือกตอกมัด ทำเป็นฝาตอนนี้พอทั้งกับพวกจิงเหลนกระพกจิงเหลนขึ้นไปอาศัยพอตอนเย็นมันก็ปีนขึ้นไปก็ไปซ่อนอยู่ในในฝาน่ยนะตอนี้พอกลางคืนมางูงูขึ้นไ ป, ปนนนนนขึ้นไ ป, น ไ, ปไปหากินจิงเลนจิงเลนมันทีมันวิ่งเข้ามามาเข้ามาในผ้าห่มของเราต่างหากเนี่ย ปัญหาที่หลบเหมือนกันนะมันมองไม่เห็นนะจิงเหรนกลางคืนนี่มองไม่เห็นตำซ้ายตำขวาตำหน้าตำหลังมันมองไม่เห็นเหมือนกับจิงกากิงกาก็มองไม่เห็นกลางคืนแต่เป็นตุ๊กแกหรือจิงจกเหรืออันนี้เห็นแล้วมันวิ่งของมันเลยหล่อแต่เห็นงูผมเห็นมองเห็นกลางคืนใช่ไหอจัดประเภทมองไม่เห็นกลางคืนพวกจิงกาพวกจิงเหรนเนี่ยมองไม่เห็นนะ มันก็วิ่งไปตามภาษีภาษาของมันนะเนี่นแหละอยู่ภูอยู่อกอแต่เรียนวิชาความรู้สมัยนั้นเป็นเนนอีกต่างหากนะเป็นเนนอายุสิบเอดปีอย่างที่ว่าหนะลวงปู่เขาพยายามสอนนะเราก็ไม่เคยที่จะงูกัดนะงูขัดตะขาบกัดมแมลงป่องเออมแมลงป่อ ง, ม, ง, องมีอยู่บ้างนานๆ น, น, นะตะเข็บตะเข็บเนะี่ยยังไม่เคยรถหนึงกระทั่งเดี๋ยวนี้นะยังไม่เคยรู้รถตะเข็บกัดนะแต่ก็ยังไม่ไม่อยากตัว ไม่อยากแยให้มันกัดตัวแต่เรก็ไม่เคยเหมือนกันเลยแต่งูนะเคยอยู่เคยกัดแต่สมัยเป็นเด็กนะอแต่เป็นงูนะงูเขียวงูเขียวตุกแกกัดแต่นอกงูเขียวงูที่มีพิษก็ยังไม่เคยนะแต่ก็นี่แหละเพราะความระวังของเราเนี่ยนะไปอยู่น่าจะานที่ใดเราสังเกตตลอดนะเดินไปที่ไหนต้องมองต้องสังเกต กลางคืนกเหมือนกันหลวงปู่ท่านนอนท่านผ้าให้พับให้ดีนะอย่าทำเป็นกองเอาไว้เดี๋ยวพวกงูพวกสัตว์มันมาอาศัยในผ้าของเราพับให้ดีให้แน่นสมัยนั้นไม่มีถุงพลาสติกอีกต่างหากนะถุงพลาสติกไม่มีอะไรไม่มีหรอกถ้ามีแต่พับขนาดสายบาดยังไม่ให้เอาผ้าไม่เอาผ้าปิดข้างบนอีกต่างหาก บางทีเอาผ้าปิดข้างบนงูขึ้นไปขดอยู่ทีหลังบาดนะนะหลงปูล่าเลยต้นโว่ร้องจากเลยเอบอกวัเนเลยนะผ้าอาบน้ำอย่าไปปิดบนหลังบาดเนยะมันเป็นโพรงอยู่ตัง น, นั้นถ้าเอาเข้าในบาดก็เอาเข้าในบาดซะปิดบาดไว้ให้ดเีเวลาจะจับบาดก็ดูมันมีงูนะนี่แหละของเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะของเรา วัดของเรานะ่มีมุงรวดมีฝาปิดอย่างดีพวกสัตว์เข้าไม่ได้เราพยายามกันทั้งเพดานก็กันไว้ไม่ให้พวกจริงจกตุกแกลงได้แต่เราสังเกตนะแต่มันลงตรงไหนเราก็ปิดซะเขาสร้างกุฏิทั้งหลังก็ยังสร้างได้ตัวเองหากระดาษหรือกระดาษไม้แข็งแข็งไปปิดอุดรูให้มันแน่นซะหรือเอามุ้งลวดนะ ไอะพะบๆพับที่มันแข็งแขงน่ยจับยัดเข้าไปหาไม้หาเหล็กแ ย, แ, ยแยงแยงเข้าไปมันก็ปิดได้นะอันนั้นน่ววิชาความรอบคอบการอยู่ป่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปแล้วเพียงมดเข้ามาตัวเดียวตัวเองก็ย้ายหนีจากกุฏิเพราะอะไรเพราะมดขึ้นมานอันนั้นแปลว่าเซอร์นะเซอร์โง่โง่กว่ามดมดตัวเล็กอย่างสู้มันไม่ได้เขาสร้างกุฏิทั้งหลังเขายังสร้างให้เราได้ เราต้องดูว่ามันเหตุมันมาจากไหนเราก็ต้องแก้ที่เหตุแต่ที่ยังไงอย่าไปฆ่ามันนะแต่ไปฆ่ามันนะเป็นบาปไม่ควรจะฆ่าอถ้ามันมดขึ้นมาทําไงถ้ามันกิ่งไม้เฟื้อยมาเอาเกิ่งไม้ออกพอกิ่งไม้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วกัเอาน้ํามันใส่แล้วมันลงยังไงฮนี่แหละอันนี้เราก็มดมันต้องกินของหวานฮะ พวกน้ำตาลของหวานเราก็เอาน้ำตาลไปใส่ในจานเอาน้ำใส่นิดหน่อยพอมันหวานจากนั้นมดก็ลอตอมเต็มไปหมดนมันหิ้วนะเราก็โขจานนั้นก็ไปขอกขอกขอกอกออกมาไปอีกเอาไปมามันขึ้นเมื่อกี้ไปกับมดนะเพราะอะไรเพระเราล่อล่อมดออกไปแต่เราไม่ได้ฆ่ามันนะ ให้มันออกจากเรา น, ะนี่แหละวิชาอย่างนี้นะคูบาอาจารยนะ์ท่านทํามาตลอดท่านอยู่ในป่าท่านไม่ใช่ฆ่ามันนะท่านไม่ให้ฆ่ามันบุกมดเหมอนการฆ่ามดก็คือฆ่าสตัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละนี่แหละอันนี้คือการอยู่ป่าของพระกรรมฐานหลวงพ่อเรียนรู้มาตั้งแต่นู่นแต่สมัยเป็นเนนเป็นเนรน้อยครูบาอาจารย์สอนมาตลอด ความรอบคอบในการอยู่ป่ารงพงภัยอยู่ในกุติถ้าจะเดินยองกลมแล้วก็ให้จุดเทียนเดินแต่ก็ให้สังเกตถ้าเดินไปที่ไหนถ้าเป็นงูสามเหลี่ยมจะเห็นแต่ไกลเลยล่ะถ้าว่าเป็นงูตัวมากถ้ามันเป็นที่ที่โล่งมันจะไม่เข้ามาถ้ามันเป็นหญ้าคุ้มๆเลยนั่นแหะต้องพยายามให้เอาออกถ้ามันห่าง สรุปแล้วก็คืองูเนี่ยไม่ชอบที่ที่เตียนโล่งที่ไหนที่เตียนโล่งมันจะไม่ไม่เข้ามาใกล้แต่ถ้าที่ไหนรกๆมันจะแอ บ, บเข้ามาในจุดนั้นแหละนะพอท่านทนยังให้ปัดกวาดทุกวันบริเวณรอบพุฏิของตัวเองให้เป็นดินใหม่อยู่เสมอปัดกวาดทําความสะอาดถ้าทําอย่งงางนั้นได้นะ่ะปกอส ร, รพิษจะไม่เข้ามายอย่างที่ผ้าเช็ดเท้าของเราก็เหมือนกัน ถ้าผ้าเช็ดเท้าของเรามันได้อยู่ในกุฏิไม่ได้อยู่ในอันนั้นก็ต้องระวังนะตะขาบบ้างมาแมลงป่องบ้างงูบ้างจะขึ้นไปซ่อนอยู่ในผ้าเช็ดเท้าของเรานะเวลาเราจะขึ้นไปถ้าเราถ้ามันดูดูนะถ้ามันงพงๆนะเราก็ต้องเขยา่าเขยา่าเจ้าก่อนถ้าไม่มีอะไรยนะังค่อยใช้เนี่ยแหละพระในครั้งพระพุทธเจ้า ท่านยังไม่ให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นเห็นไม่รองเท้าของพระมีแต่ให้คีบเท่านั้นเองแล้วก็ปิดบนบนหลังห้ามไม่ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นเพราะอะไรพระในครั้งพุทธกาลมีรองเท้าหุ้มส้นทีนี้ก็อบเท้าสวมลงไปบางทีก็แมลงปองบ้างตะขาบบังงูบ้างกัดขาพระกัดเท้าพระเป็นเหตุ พระสงฆ์ได้กราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าภิกษุใดก็ตามทํารองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นปรับอบัติทกกฎนะมีเหตุซะก่อนจึงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้ามงูกัดได้ทําไงยุ่งทั้งวัดไม่เป็นอันภาวนาแมาลงป่องหรือ ว, ว่าตะขาบต่อยตะขาบกัดยจุ่งทั้งวัดหายามาใช้กันนี่แหละ ท่าว่าไม่มีสะไม่มีรองเท้าสักต่างคนต่างระวังสะมันก็หมดเรื่องมีแต่ความสงบเงียบเพราะไม่มีเรื่องรานะวเนี่พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเรานะพระลูกพหลานทุกคนนะกัลวาด ญ, ญาติโยมเอาไปใช้ก็ไม่ผิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มาอยู่วัดมาอยู่วัดนี่หลวงพ่อก็เคยพูดบอกว่าบางคนก็กลัวผีพอมาอยู่จุดไฟ จุดไฟนอนนะเปิดไฟฟ้านอนนะแต่หลวงพ่อไม่ให้เปิดอยู่แล้วนะไฟฟ้าฮะมันเปลืองไฟไฟข้าไฟเท่าไหรนะ่ทุกวันเนะียแต่มันพวกกลัวผีนะั่นสเยนอนไม่เคยนอนในที่มืดกลัวความมืดนะ่พอเปิดไฟนอนนะเนี่ยพอนอนไฟแล้วก็นี่แนะพวกลิ้นนะลิ้นยุงตงัวแรกๆลิ้นตัวลิ้น เออมันก็เข้ามาตอมไฟตอมไฟเสร็จแล้วมันบินเหนื่อยมันก็ลงมาเนยะลงมาก็คนนอนอยู่ทีน่นั้นแหละไปกินคนเลยไปกัดคนเนละคนเออมันทําไมมันคันคลายอ๋อโขมันคันมันจังอยู่ไม่ผาสุขแล้วมันโผล่หน้าเข้ามามาันก็กัดกินหน้ากินหูหนะ่อยโดยมากพวกลิ้นนะเนี่ยแหละผลที่สุดหาความสุขไม่ได้อยู่ไม่สบายเลยแต่แตามไม่จริง หลวงพ่อก็สอนวิชาเหล่านี้ให้กับพวกศรัทธาญาติโยมพวกเกี่ยวข้องเวลาเราจุดไฟเข้าที่นอนแล้วจุดไฟพอจุดไฟเสร็จเรบร้วเราก็จัดที่พอจัดที่พักเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปเปิดไฟข้างนอกอีกสักหลอดหลอดนึ่งพอเปิดเสร็จแล้วเราก็ค่อยปิดไฟข้างใ น, นในห้องของเราพอปิดเสร็จแล้วก็เราใช้ผ้า อะไรเขาได้เวียงไปเวียงมาไล่เหมือนกับไล่อะไรออกจากห้องสถานการณ์ไล่ยุงไล่อะไรเปิดหน้าเปิดประตูไว้นะเปิดประตูไว้ไล่ไล่ไล่สักพักหนึ่งเ น, นี่ยตอนแรกขอเราก็ย่องย่องไปปิดไฟหลอดข้างนอกพอปิดไฟปั๊บเราก็มีไฟฉายบีบแมพเข้ามาแล้วก็ได้ห้องแล้วก็ปิดประตูใส่กรอนเรียบร้อยนี่แหละอันนี้จะไม่มีจะไม่มีพวก ลิ้นพวกยุงพวกอะไรเข้ามากัดแต่ถ้าเราเปิดไฟนอนปัญหาความพาสุกไม่ได้นะลูกหลานนะผีจะไปกลัวมันทำไมมันอยู่ในวัดของหลวงพ่อผีสางนางไม้เป็นจิตใจเป็นกุศลทั้งหมดไม่มาหลอกใครหรอกถ้าใครเห็นผีหลอกมาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปสอนให้ไปสอนผีให้นะอัลลัพร